สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์ยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบเก้าเพราะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในข้อที่ยี่สิบหกถึงข้อที่ยี่สิบเก้าครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบหกถึงข้อที่ยี่สิบเก้า ความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นที่พอพัดไขยของพระองค์บุคคลพูดตรรกะหากำไรก็กระทำความลำบากแก่คัวเรือนของตนแต่บุคคลที่เกลียดศีลบนจะมีชีวิตอยู่ใจของคนชอบทำรำพึงว่าจะตอบอย่างไร แต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงได้ยินคําอธิษฐานของคนชอบธรรมเป็นข้อครโพจิณ ข, ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ตั้งแต่ข้อ26 27 28 29สี่ข้อนี้เป็นข้อที่มีความสำคัญและเป็นข้อคิดอย่างดีในการดาเนินชีวิตประจาวันของเราเริ่มต้นในข้อ26นะครับ เพิ่มีได้กล่าวว่าความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าถ้อยคําของคนประสุทธิ์เป็นที่ภาวาไทยของปรุงฉะนั้นครับเรารู้ว่าความคิดของคนชั่วร้ายหรือคนชั่วร้ายนั่นเองนั้นมันแยกจากกันไม่ได้ความคิดกับชีวิตของคนแยกจากกันไม่ได้เพราะว่าคนเรานะครับเมื่อเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเอง และความคิดนี้ก็จะส่งผลต่อการกระทำของตัวเองส่งผลกับชีวิตทางศาสนาของตัวเองดังนั้นเองเราจะเห็นว่าบุคคลในพระคัมภีร์เดิมยกตัวอย่างเช่นคาอินกับอาเบลพระคัมภีร์เดิมถ้าเราถอยกลับไปในประธรมการบทที่สี่เราจะพบว่าการบันทึกของพระคัมภีร์นั้นได้เขียนเสมอว่าคาอินและเครื่องบูชาของเขา อาเบลและเครื่องบูชาของเขาความหมายตรงนี้ก็คือว่าชีวิตนั้นจะแยกจากเครื่องบูชาของเขาไม่ได้หมายความว่าชีวิตนั้นต้องสอดคล้องกับเครื่องบูชาครับและเมื่อชีวิตสอดคล้องกับเครื่องบูชาพระเจ้าก็มองเป็นหน่วยเดียวกันครับพระเจ้ามองเป็นยูนิตเดียวกันเมื่อพระเจ้ามองเป็นหน่วยเป็นยูนิตเดียวกันก็คือว่าพระเจ้ามองเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นเองเครื่องบูชากับชีวิตนะครับและอะไรก็ตามที่ออกมาจากชีวิตเช่นคำพูดของเขาการกระทาของเขาก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะรังเกียจหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับว่ า, วาเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่วร้ายเครื่องบูชาและถ้อยคำของคนชั่วร้าย else, it. นั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ต, ต่อพระเจ้าเพิ่มพีผูดชัดเจนกรณีความคิดของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าเกลียดน่าชัง แก่พระเจ้าเพราะฉะนั้นความน่าเกลียดน่าชังนั้นมันอยู่ที่ชีวิตของเขานะครับและเครื่องบูชาไม่ว่าเครื่องบูชานั้นจะดีหรือไม่ดีนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญแต่ชีวิตสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของเขาดีเครื่องบูชาของเขานะครับจะเป็นสิ่งที่จะถวายแด่พระเจ้านั้นก็จะดีตามไปด้วย ค่อยคำของเขาก็จะดีตามไปด้วยการกระทำของเขาก็เป็นก็จะดีตามไปด้วยครับพระเจ้าก็จะยินดีและโปรดปานในชีวิตและเครื่องบูชาขณะที่คายินนั้นเขาเป็นคนไม่ดีนะครับเครื่องบูชาของเขาพระเจ้าก็ไม่โปรดปานไม่พอพอใจในขณะที่คาอาเบลนั้นเป็นคนดีเมื่อเขานําเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าก็โปรดปาน พี่น้องจะเห็นชัดเจนนะครับพระเจ้าทรงยินดีในแผนการและถ้อยคำของคนที่อยงทำครับถ้อยคำของเขาก็บริสุทธิ์ในสายพระเนตร์ของพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นออกมาจากใจและแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในใจที่บริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้าทรงสสเสียดสีกับการถวายบูชารวมทั้งการกระทำความคิดแผนงานของคนชั่วแต่ความคิดของคนบริสุทธิ์ ความคิดของผู้ชอบทำแผนงานของผู้ชอบทำนะครับเป็นที่ปีตยินดีของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งแม้ในจิตใจของคนเราเพราะฉะนั้นอย่าหลอกลวงพระเจ้าครับเราจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสักพันอยู่ทรงทรงรู้ทุกสิ่งว่าอะไรมีอยู่ในใจของมนุษย์ ข้อต่อไปครับข้อ27บุคคลผู้ตะกระหากำไรก็กระทำความลำบากแก่ครัวเรือนของตนแต่บุคคลผู้เกรยียดสินบนจะมีชีวิตอยู่พระเจ้าห้ามการให้และการรับสินบนครับพี่น้องการให้และการรับสินบนนั้นมันจะบิดเบือนความยุติธรรมและด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็ห้ามครับใครก็ตามที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในเรื่องการสินบนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการให้และการรับนะครับคนที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการให้และรับสินบนนั้นจะชื่นชมจะได้รับนะครับพระพรของพระเจ้าเขาจะมีความชื่นชมยินดีในพระพรของพระเจ้าและที่สำคัญก็คือว่าชีวิตของเขานั้นจะยืนยาวบุคคลผู้เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่พี่น้องพี่น้องครับษาอังกฤษช่ไกมว่า don't take บอยบ์ a และคุณจะ l ีชี e ิตยาวขเห็นไหมครับ don't t a k e b บ์สและคุณจะมีชีวิตยาวขหมายความว่าใครก็ตามนะครับที่ไม่รับสินบนเขาจะมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้นนี่คือสิ่งที่พระคัมภี์ได้เขียนไว้ครับเพราะฉะนั้นการปฏิเสธที่รับสินบนจะช่วยยืดชีวิตของคนป้องกันความหายนะมาสู่ครอบครัวนะครับของเขาอันนี้รวมถึงอะไรครับ สินบนนั้นก็รวมถึงทรัพย์ที่ได้มาจากความไม่ถูกต้องนะครับการเก่งกําไรนะครับจากความรุนแรงหรือสถานการณ์ต่างๆมาเก่งกําไรนะครับหรือการทำํำนาบนหลังคนการเอารัดเอาเปรียบการเก่งกําไรที่ไม่ชอบทำนั้นก็จะส่งผลเสียต่อลูกหลานและทําให้ครอบครัวของตนตกที่นั่งลําบากครับ พี่น้องครับจากประสบการณ์ของคนที่มีอายุเราจะเห็นนะครับเขาสามารถเล่าให้เราฟังได้ว่าการทํานาบนหลังคนการเอารัดเอาเปรียบการเกงกําไรแบบไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมต่างๆนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกๆของเขาก็จะเรียนแบบเขาส่งผลเสียครับส่งผลเสียต่อพัฒนาการของลูก และทําให้ครอบครัวของตัวเองนั้นตกที่นั่งลำบากในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจดจําให้ดีครับอย่าให้พลาดครับข้อยี่สิบแปดครับใจของคนชอบทำลำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกมาคนชอบทำจะคิดและไข้ ค, ครวรด้วยความระมัดระวังก่อนจะพูดครับก่อนจะพูดก่อนจะตอบไม่ใช่พูดพุพ่งโพ่งคิดอะไรได้ก็พูดนะครับ อะไรที่เข้ามาในใจออกมาในห่วงความคิดก็พูดคำพูดของเขานั้นก็ผิดกาลเทศะบางครั้งเขาพูดจริงแต่ผิดเวลาครับผิดที่ผิดสถานการณ์นะครับิมงทีเมื่อตอนที่แล้วก็ได้บอกให้เราพูดให้ถูกกาลเทศะคำเดียวที่ถูกกาลเทศะนั้นก็ดีจริงๆคนโง่นั้นพูดคำพูดชั่วร้ายนะครับคำพูดชั่วร้ายพุ่งออกมาจากปากของเขา เหมือนกับน้ำพุพุ่งออกมาจากบอ่อน้ําที่เน่าเหม็นครับคนชอบทําระวังคําพูดของเขาและเขาจะได้รับการยกย่องพี่น้องครับอย่าลืมครับคนชอบทาจะระวังคําพูดของเขานะคนชอบทําที่ระวังคําพูดของเขานั้นจะได้รับการยกจ่องพวกเขารู้ว่าถ้อยคําที่ไม่จริงถ้อยคําที่ไม่มีความเมตตาการุณาก็สามารถก่อเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ข้อสุดท้ายวันนี้ครับ พระเจ้าจะทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงได้ยินคําอธิบายของคนชอบธรรมพระเจ้าจะอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้ายเขาจะไม่ได้พระสัญญาจากพระองค์ครับพระสัญญาจากพระองค์ในการที่เขาทําอะไรแล้วเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อคำวันที่ขานพระเจ้าจะตอบเขาบ่อยครั้งเองคนอธรรมนะครับได้รับการช่วยเหลือมากมายเพราะพระคุณครับ และเราถือว่านี่คือพระคุณพิเศษครับสิ่งที่เขาได้รับสิ่งที่คนอะทาได้รับนะครับความช่วยเหลือนั้นเรียกว่าพระคุณไม่ใช่พระสัญญาพี่น้องครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนชอบทำพระเจ้าทรงให้เขาตามพระสัญญาพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานเขาตามพระสัญญาคนชอบทำขออะไรเขาจะรับคาตอบจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเงี่ยพระกันฟังคนชอบทำเสมอ แม้ว่าแต่ลายครั้งทีเดียวพระองค์อาจจะไม่ตอบตรงความต้องการของเขาทั้งหมดก็ตามแต่พี่น้องครับพระเจ้าจะหยุดตอบคําอธิษฐานของคนอคธรรมคนที่ปฏิเสธที่จะทําตามน้ำมัยของพระเจ้าขเขาจะช่วยเรานะครับในการที่เราเจะอยู่ในน้ำมัธยของพระเจ้าตลอดไปและเป็นผู้ที่ชอบทําในสายพระเนตรของพระเจ้าทําอธิษฐานทุกคําอธิษฐานของเราก็จะได้รับคําตอบครับอาเมน